เรพอดีจะตอบปัญหานิดไม่นิดหนึ่งมีปัญหามาเยอะถ้าไม่หมดก็เดี๋ยวให้พระช่วยตอบตอนอตอนกลางคืนนะ <c oughs> ยมีปัญหาอะไรจะถามไหมตอนนี้มีไหมไม่มีนะเต้นก <c oughs> ็มีผู้ถามปัญหามาอย่างนี้นะว่า <c oughs> ถามว่าเวลาทำวัดสวดมนต์เนี่ยที่บ้านเนี่ย ต้องชุมนุมเทวดาด้วยหรือเปล่าคำว่าชุมนุมเทวดาคือการอัญเชิญอัญเชิญเทวดาก็คือเชิญเทวดาทั้งหลายมาฟางังธรรมนะประเด็นก็คือว่าเวลาเราจะสวดมนต์เนี่ยเราก็เลยเชิญเทวดาทั้งหลายมาฟางังธรรม เอาถามต่อว่าทำไมต้องให้เทวดามาฟังธรอย่างเราด้วยเพราะพระธรรมหรือคำสวดที่เราสวดนั้นเนี่ยเราไม่จะคิดขึ้นมาเองเนะเป็นคำสวดของใครโดยมากเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะในบทยกตัวอย่างเช่นในมงคลลสูตรเนี้ย บหูเทวามนุษยสาจะอข้าไปเอวเมสุตังเลกังสมัยยังพักาวาสาวัีิยังวิหรารติเชตวเนอนาถาพินติกาสาอ า, าดราเมตตาตรโครพักาวาเบตุนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเชตวานารามของท่านอานาถาพินติกาเศรษฐีเขตเมืองสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอะไรอะมองคลลสูตรมีเทวดาทั้งหลายมาถามว่าอะไรเป็นมงคลเป็นต้นพุทธเจ้าก็ตอบลักษณะเนี้ย ฉะนั้นเมื่อเราสาธยายเนี่ยหรือเราสวดมนต์ทั้งหลายเทวดาก็ปรารถนาที่จะฟังก็เลยมีบทคบว่าเชิญเทวดามาฟังธรรมนั้นได้นะเออนี่บอกว่าอรัธนาอยากจะทราบสีล4สี่อีกครั้งเอส้นี่นี่หมายถึงอะไรสีล5ห้ารือสี้4สี่ใครถามปัญหาก็ น, นิ่งต้องยกมือที่ ช่วยอธิบายรายละเอียดสั้นๆเพื่อนำไปปฏิบัติด้วยศีลข้อที่สี่หรือว่าศีลสี่นี่แปลว่าอะไรฮะอ๋อปาฏิโมกสังวลาศีลอันนี้เป็นศีลหลักที่เป็นประธานนะเป็นประธานของกุศลศีลทั้งหมดศีลห้าเนี่ยเป็นประธาน หรือศีลของพระก็227รสิกขาบทนั้นเขาเรียกปฏิโมกสังวราศีถามว่าปฏิโมกสังวราศีลที่เป็นศีลหลักเนี่ยเป็นศีลที่เป็นประธานเป็นศีลแม่บททั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสิกขาบทที่เราทั้งหลายต้องต้องเจริญต้องทําให้มีต้องทําให้เกิดขึ้น ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของตัวปฏิโมกสั ง, งวรศีลเป็นเช่นเว้นจากการทําร้ายชีวิตสัตว์เว้นจากการละเมิดทรัพย์สินเว้นจากการประพฤติผิดทางการเว้นจากการพูดเท็จหลอกลวงเป็นต้นเว้นจากการเสพสุรายยาเมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นศีลซึ่งเป็นแม่บทแต่ถ้าเป็นของพระก็227สิบขาบท ถ้าถามว่าแต่ละข้อที่สามารถฝึกเจริญให้มีให้เกิดขึ้นไหมบอกว่ า, าต้องชายก็ต้องมาย่ายกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเรางดเว้นจากการฆ่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็วิสมาทานเราไม่ฆ่าแล้วเราไม่ทําอะไรต่อใช่ไหมคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้มันต้องฝึกนอกจากงดเว้นแล้วก็ต้องทําใจข้งตัวเองเนี่ยในการที่จะฝึกแล้วก็จะต้องทําใจเป็นไปกับรรมเมตตากรุณาเป็นต้นด้วยอย่างนี้เป็นต้น แล้วประการต่อมาก็คือเรื่องของอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรได้พูดไปแล้วก็แปลตามสาวว่าสารวมอินทรียเนี่ยการใช้อินทรีย์คือใช้ตาดูหูฟังอย่างมีสติใช้ตาดูใช้หูฟังแบบมีสติไม่ให้ความโลภความโกรธและความขัดเคืองรุ่มหลงความลิษยาเป็นต้นเข้าครอบงําเข้าใจใไหมคือการใช้ตาดูตอนนี้ใช้ตาดูอยู่ไหมใช้หูฟังไหม ก็ไม่ให้ความโลภโกรธหลงและความอิจฉาริษยาเข้าครอบงําจิตลักษณะนี้หรือการที่เราจะเสพข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไอ้นี่ก็ ก, การใช้อินทรีย์คือตาหูจมูกทั้งนั้นเองทีนี้ไอ้ทางที่บอกว่าอินทรีย์คือตาคือหูจมูกเล่นกายและใจมัมีทําหน้าที่อยู่2ออย่างไอ้หน้าที่รู้เนี่ยคือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารใช้ตาดูรู้ว่าเป็นอะไร เป็นนาฬิกาเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นดอกไม้สีดำสีแดงสีเหลืองเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นการสื่อสารเพื่อจะเกิดความรู้เข้าใจว่าเป็นอะไรทีนี้อีกด้านหนึ่งก็เรียกด้านความรู้สึกมันความรู้สึกชอบกับไม่ชอบเข้าใจใช่ไหมไอหน้าที่รู้เนี่ยก็คือพอรู้แปลว่า ยกตัว อ, อย่างเช่นเราใช้ตาดูโอนี้เป็นพัดลมนี่เป็นไฟเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปวิจัยไปแยกแยะก็ไม่ให้กิเลสมาครอบงำแต่ให้สติให้ปัญญาเกิดจากการรู้การดูเป็นต้นอันนี้เขาเรียกอะไรมีอินทรีย์ไว้รู้ไว้ไว้สื่อรู้ข้อมูลต่างๆแต่อีกอย่างหนึง่งพอเห็นปุบ๊บชอบเดินไหมพอรู้แล้วชอบชอบกับไม่ชอบลักษณะ น, นี้เขาเรียกรู้สึก ส่วนอีกด้านหนึ่งในละักษณะนี้พอพูดสั้นๆพอจับประเด็นได้ น, นะอีกประเด็นหนึ่งก็คือปัจจยปฏิเสวนาคือการเสพ บ, บริโภคปัจจัยสี่ศีลในเรื่องนี้ก็คือการฝึกศึกษาให้ ร, รู้จักการใช้สอยบริโภคสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้มีปัญญาเกิดขึ้นเข้าใจคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งนั้นยอมอาสนะที่ยอมนั่งเนี่ย เวลายอมใช้เนี่ยยอมรู้คุณค่าไหมใช้เพื่ออะไรทำไมยอมไม่นั่งกับพื้นอาทำไมไม่นั่งกับพื้นนั่งอย่างนี้เป็นไงมันดีกว่านั่งกับพื้นนึงดีไหมดีตรงไหนมันรู้สึกสบายอย่างนี้ป่าทำให้ชอบทำให้ติดใจทำให้เพลิดเพลินหรือว่าเราเห็นประโยชน์ ว่านั่งตรงนี้มันมีประโยชน์ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วจะได้เป็นปัจจัยต่อการจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาให้ยิ่ง ย, งยงขึ้นไปยอมคิดอย่างนี้ไหมเห็นประโยชน์ตรงนี้ไหมหรือโอ้หนี่มันสวยดีอย่างเรามันต้องนั่งอย่างนี้แหละมันถึงจะเทมันถึงจะโก้มันถึงจะเหมาะกับเราถ้านั่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ใช่ความรู้สึกหม พระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเราใช้เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเวลายอมใส่เสื้อผ้ายอมใส่ยอมคิดยังไงอ่ะถ้าพระเขาพิจารณาโดยแยกคายนะว่านุ่งห่มจีวรเนี่ ย, น เ, นยเพื่ออะไรป้องกันความหนาวป้องกันได้ไหมป้องกันความร้อน ต้องการป้องกันสัมผสัสที่เกิดจากเกลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานเท่าที่ว่าเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอายเถ้าพิจารณ า, างี้แปลว่าเข้าใจคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้เวลาเราใส่เสื้อผ้ากันเนี่ยเราเราคิดยังไงอ่ะเนี่ยนมันยี่ห้ออะไรเนี่ยเคยคิดแบบนี้ไหมไอย่างเราเนี่ย ถ้าไปใส่แบบนี้โดยจะไม่เหมาะรู้สึกใส่ไปแล้วมันไม่โก้มันไม่เท่อะไรเงี้ยนะถ้าใส่อย่างนี้รู้สึกโอ้โหทุกวันนี้เขากำลังนิยมเสื้อผ้าอย่างนี้ยี่ห้อนี้สีแบบนี้ทรงแบบนี้ถ้าเราใส่อย่างนี้เราจะอยู่ในเกรดระดับนี้ระดับนี้เออเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเอาละมันป้องกันอะไรเนี่ยเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยถามหน่อยอ่ะที่บ้านมีเสื้อผ้าคนลกี่ชุด มีกี่ชุดใครมีเกินสิบชุดยกมือขึ้นทีโอ้โหเอาเกินยี่สบชุดโอเด้เกินส0สบชุดเกินสี่สิบชุดถามยิงใส่ครั้งละกี่ชุดเยเกินสี่สิบชุดนี่ไม่ไหวแล้วมั้งทำไมทไมไม่บริจาคบ้างละ่ะ เขาบริจาคให้หมดเลยได้ไหมไอ้เหลือสักหาชุดเวลาเราใส่เสื้อผ้าแต่ละชุดแต่ละชุดขึ้นมาเนี่ยมันดูว่ามันดีขึ้นไหมมันรู้สึกว่ามันมันผิดมนุษย์ขึ้นมาเลยไหมหรื อ, อยังไงหรื อ, อยังเหมือนคนอยู่เล่แปลกนะมนุษย์เราเนี่ยเราเอาเสื้อผ้าอะไรไปใส่ให้เขาคึกว่าเขาเป็นจริงๆนะยกตัวอย่างเช่น คนไปแต่งชุดพยาบาลก็นึกว่าตนเองเป็นพยาบาลจริงๆเออมันติดสมมุติกันนะมนุษย์เราเนี่ยคนไปใส่ชุดเจ้าสาวก็นึกว่าเป็นเจ้าสาวจริงๆใช่ไหม <c oughs> คนไปใส่ชุดทหารก็นึกว่าเป็นทหารจริงๆใส่ชุดตำรวจก็นึกว่าเป็นตำรวจจริงๆใส่ชุดชาวนาก็นึกว่าเป็นชาวนาจริงๆใช่สมมุติไหมเออเนี่ยตอนที่ พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าหมหาสุทัศนะพระพุทธเจ้าเนี่ยผ้าที่เขาเอามาใช้เอาให้เอามาถวายท่านเนี่ยให้ใช้เนี่ยวันละวันละ8 4 0 0มพันกดพับดูบุญของท่านสิแต่ท่านก็สลดใจตอนเบื้อบ้นปลายชีวิตเนี่ยท่านบอกอันนี้ใช้จริงๆกี่ชุด อา้าผ้าวันละ8ปดหมืสี่พันโกดผ้าเนี่ยใช้จริงๆกี่ชุดชุดเดียวไม่มีใครใส่วันละแปดหมื่นผับเกือบหมืนชุดหรอกรองเท้าอ่ะ8ปดหมสี่พันคู่ใส่จริงๆกี่คู่ของเรามีกี่คู่ที่บ้านเนี่ยบางคนโอ้โหไม่มีแทบจะไม่มีที่เก็บเลยใช่ไหมกลับไปช่วยโลทิ้งหน่อยได้ไหมเออไม่ใช่โลบริจาคได้ไหม เออเป็นผ้านี่สบายยอมลองลองทายด้วยผ้ามีจีวรกี่ชุดน่ะผ้ามีจีวรอกอี่ผืนน่ะเนี่ยเป็นจีวรผืนหนึ่งเป็นสังคติผืนหนึ่งและเป็นสะบอ ง, อ, งอีกต่วอีกตัวหนึ่งก็เป็นผ้าปูนอนแค่นั้นเองแค่นี้แหละผ้ามีแค่นี้โอ้สบายอยอมไปที่ไหนลองใช้แบบพ้าหน่อยได้ไหม ตรงนี้จริงๆให้ถ้าเราเห็นคุณค่านะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่แท้จริงเพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อเมามันไม่ใช่เพื่อสวยงามไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เสพและฉันเท่าที่ว่าเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตนี้เป็นไปได้เพื่อระงับความหิวเพื่ออนุเคราะห์เกื้อหนุนชีวิตที่ประเสริฐ ด, ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ก็จะกําจัดเวทนาเก่าความไม่สบายและความหิวเป็นต้นเสียได้ และไม่ทําเวทนาใหม่คือความอึดอัดแน่นจุกเสียดเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็จะมีชีวิตเน้นไปได้พร้อมในการที่จะไม่มีโทษและความเป็นอยู่ก็จะพาสุขด้วยถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นอยู่ด้วยปัญญาโยการเป็นอยู่ด้วยปัญญาประการสุดท้ายก็คือสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพบริสุทธิ์นะนะสดจริตที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยปริปริเยสนาการแสวงหาปัจจัย การใช้สอยปัจจัยก็คือเว้นจากมิจฉาชีพเว้นแรกๆ ก, ก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะโดยสาระก็คือไม่ประกอบอาชีพที่เป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเสียหายแหกับชีวิตคนอื่นอันนี้ก็คือว่าเนี่ยลักษณะนี้ก็เรียกสัมมาชีพที่นี้สัมมาชีพนอกจากะเป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองสังคมแล้วยังเป็นประโยชน์ในการฝึกฝนพัฒนาด้วยนะ สามารถที่จะฝึกตนเองเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาด้วยในตัวสัมมาชีวะเนี่ยเข้าใจไหมเอาทอํายังไงที่จะฝึกผลพัฒนาตนเองเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาได้อาชีพเนี่ยถามว่าในขณะที่วันหนึ่งทํางานกี่ชั่วโมง8ดชั่วโมงทีนี้อาชีพของเราที่เราทํางานเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ใช่ไหมคนป่วย ทีนี้ให้สังเกต ด, ดูที่เราทําตามหน้าที่กับการทําเพื่อฝึกฝนพัฒนาเป็นคนละอย่างกันนะการทำงานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลใช่ไหมใช่ไม่ใช่ทำงานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลใช่ไห ม, ไห ม, าหไหมการทำการทางานของเราวันละแปดชั่วโมงอ่ะอันนั้นเขาเรียกอะไรรู้ไหมเาเรียกกิจกรรมของชีวิตกิจกรรมของชีวิตในการทำงาน ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเป็นพยาบาลก็ดีเป็นหมอตลอดถึงอาชีพทุกอาชีพเนี่ยที่เราทำเนี่ยถ้าเป็นพยาบาลและหมอนี่เห็นชัดทำไมเราทำงานตรงนี้การที่เราได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือบุคคลเขาเจ็บป่วยมาเราทำให้เราเขาหายป่วยใช่ไหมเขาป่วยเขามีโรคประจำตัวมาเราได้แนะนําเขาบอกการดูแลสุขภาพร่างกายให้ยา แนะนำวิธีการปฏิบัติตนเองที่จะพ้นจากโรคภยครัยไข้เจ็บยังไงเป็นต้นการที่เราบอกเขาเนี่ยตอนนั้นน่ะเราหนึ่งเมื่อเขาเอาไปปฏิบัติเป็นประโยชน์แกเขาไหมแต่ในขณะที่เราบอกตอนนั้นเน่ยเราได้ฝึกฝนตัวเองไหมตอนนั้นเราใช้อะไรอะเวลาบอกคนไข้ใช้มิจฉาวาจาหรือสัมมาวาจายิงหรือเราเคยโกรดคนไข้ไหม ถ้าถ้าสัมมาวาจาเราก็พูดเขาเนียถ้าหากยามเขาปกติสุขภาพเขาอยู่เป็นปกติก็พูดกับเขาด้วยเมตตาถ้าสุขภาพเขาแย่ลงคุณภาพชีวิตเขาแย่ลงโลครคภัยไข้เจ็บรุมแล้วเราก็พูดด้วยกรุณาสงสารช่วยเหลือบอกกล่าวถ้าหากว่าเขาดูแลร่างกายดีขึ้นรู้สึกคุณภาพเขาเหม๋เจริญดีขึ้นพัฒนาขึ้นพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บแต่ยังกินยาอยู่แล้วก็พูดด้วยมุทิตาพอยินดีกับเขา ฉะนั้นการที่เราไปช่วยในการที่พูดบอกแนะนําตอนนั้นน่ะหนึ่งคนไข้ได้ประโยชน์สองเราได้อะไรได้ฝึกเราได้ฝึกตัวเองที่ทําให้กุศลศีลในตนเองโดยเฉพาะสัมมาวาจาศีลเนี่ยสัมมาวาจาวิรตีเนี่ยงดจากการพูดเท็จงดจากการพูดส่อเสียดงดจากการพูดคําหยาบงดจากการพูดเพ่อเจอ้อแล้วก็พูดคําสัตย์คําจริงกับเขาพูดให้เขาเกิดสมักสมานสา ม, สามัคคี พูดด้วยปีญ่าวาจาวาจาที่อ่อนหวานพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์บอกเหตุบอกผลบอกเรื่องราวเขาเป็นไปตามลําดับในขณะที่เราพูดไปอย่างนั้นน่ยหนึ่งวาจาที่เราได้เปล่งกล่าวไปเป็นศีลเมื่อได้พูดไ ด, ได้บอกในสิ่งที่ดีงามแล้วปราโมดเกิดไหมปราโมดก็เกิดล่าเริงเบิกบานใจเกิดปีติเกิดไหมเกิดความอิ่มใจชื่นใจเกิดความผ่อนคลายไม่เครียดไม่กลุ่มแล้วก็เกิดความสุขสมนัตเวลาจะพัฒนาสู่สมาธิ สู่ปัญญาโอโหดีขึ้นเลยเหไหมตอนนี้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งหลายก็มาหมุนอยู่ในกระแสชีวิตลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกได้ฝึกผลพัฒนาเห็นไหมเนี่ยตรงนี้งานได้ผลคนเป็นสุขไหมไองานมันก็ได้ผลที่เราทํางานเนี่ยคนเราก็ได้เข้าถึงธรรมะได้เข้าถึงความสุขตรงนั้นด้วยนี่มันคือเรียกว่าเหตุและผลโดยตรงมันอยู่ตรงนี้ผลก็คือการที่ทําให้ได้ปามโมดเหตุก็คือการทําความดีทั้งหลายเหล่านี้ ผลก็คือได้ปราโมดได้ปีติได้ปัสสติได้ความสุขได้สมาธิได้ปัญญาได้ความรู้ได้เข้าใจในเหตุและผลเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมลักษณะนี้มันได้ไอเงินเดือนเป็นผลโดยอ้อมไอตรงเนี้ยเป็นผลโดยตรงคือหนึ่งเรามีทักษะมีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นได้ฝึกฝนพัฒนาศีลตนเองได้มากขึ้นพัฒนาสมาธิมากขึ้นพัฒนาปัญญามากขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตกายก็สะอาดมากขึ้นวาจาก็สะอาดมากขึ้นใจก็สะอาดไม่เป็นไปกับความโลภความโกรธความหลงเลยเป็นไปกับกลกุศลแลฉันทะมีความเพียรพยายามในการที่จะทหน้าที่จิตก็จดจ่อในงานในหน้าที่นั้นปัญญาก็ฟันตรวจสอบวิจัยแยกแยะนี่เขาเรียกได้ปฏิบัติธรรมพอเขาอ้าใจยังนี่เรียกสัมมาอาชีวะนี่สัมมาอาชีวะแบบนี้พวกเราเป็นแบบนี้ไหมเวลาทํางานเนี่ยเอาทำงานบ้าน รู้สึกมันตื่นเต้นตั้งแต่ตีสี่ตื่นขึ้นมาโหทำอาหารเนี่ยเราได้ให้ชีวิตเป็นทานได้ให้ความสุขเขาให้ชีวิตเขาให้ความสุขเขาให้กำลังเา้าให้ผิวพธุ์เขาให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเขาจะฝึกฝนพัฒนาชีวิตของตนเองเนี่ยเข้าสู่ความเจริญงอกงามในศีลในสมาธิในปัญญาเป็นต้นก อ, อดีใจแบบนี้ไมมทาอาหารที่บ้านดีใจไมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ใช่ปฏิบัติธรรมไหม เนี่ยเป็นใบลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ครบแล้วนะปาติโมกสังวรศีลอินทรีสังวรศีลปัจจะยัสนิสิตาศีนอาชิวะปริสุทธิศีลเวลานั่งตานอกหลับตาในาสว่างไปหมดช่วงตัวเราจมูกลมออกมาแล้วตั้งเบา เป็นเพราะอะไรต้องแก้ไขอะไรไหมอ๋อเวลาหลับตาแล้วมันสว่างใช่ไหมโยมต้อยกมือที่ใครในคนไหนเวลานั่งหลับตาแล้วมันสว่างที่ถามปัญหามาเนี่ยใครต้องยกมือหน่อยที่ที่เวลาเวลานั่งหลับตาเนี่ยเรตานอกมันหลับแต่ตานในมันสว่างเนี่ยใครที่ถามปัญหานี่มาหรือไม่มีแล้วในสงสัยไม่ได้นั่งอยู่ในห้องอยู่ งั้นไม่นั่งไม่ตอบนะนไหนคนไหนอ๋อเออมองไม่เห็นขออภยัยนานไหมยอมนานไหมนั่งปุ๊บเนี่สักพักนึงมีแสงสว่างเออเอตรงนี้ก็คืออย่างนี้เวลาเรานั่งแล้วมันจะเกิดแสงสว่างอย่างนั้นนะมันสว่างออกมาเนี่ย สิ่งที่ควรใส่ใจตอนนั้นก็คือใส่ใจที่ลมก่อนเออให้ใส่ใจที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออก เ, ออเป็นเรื่องปกติเรื่องแสงสว่างเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากกำลังของสมาธิคนที่มีสมาธิรวมเป็นหนึ่งได้เร็วเนี่ยจะมีอาการสว่างนะสว่าง เ, เป็นเรื่องปกติแต่ก็เมื่อสว่างแล้วเนี่ยบางคนก็เลยไปมัวอยากจะรู้ว่าไอ้สว่างมันคืออะไร ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเนาะไม่ยังยังไม่ต้องไปใส่ใจแสงสว่างก่อนให้ดูนะให้มนัดสิการว่าขณะนี้หาย ใ, ใจเข้าขณะนี้หาย ใ, ใจออกเดี๋ยวเวลามันมีอาการอย่างไรก็ให้ไปนั่งไปคุยกับครัวอาจารย์เขาเข้าใจนะฮะ นี่ตรงเนี้ยประเด็นมันอยู่ตรงที่มันไม่มีที่ปรึกษานี่แหละเวลาทำไปบางทีก็เลยไม่มีคนบอกวิธีการถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวบอกกับพระนะเอาชื่ออะไรต่างบอกพระก็ไว้แล้วก็ถ้ามันเป็นอะไรก็ถามพระเดี๋ยวมีลูกศิษย์คอยบอกให้ดีไหมเออจะได้ทำอย่างต่อเ น, นื่องถ้าอย่างนั้นมันก็จะงมีอยู่แค่เนี้ มีแสงสว่างแล้วก็ไม่มีอะไรต่อแท้จริงทุกคนจะฝึกผลพัฒนาต่อไปอไ ก, ก็ไม่ได้มีผิดอะไรนะเป็นเรื่องที่ดีไม่มีอะไรผิดการปฏิบัติยุบหนอพองหนอกับอานาปณะสติอันไหนจะพ้นกรรมได <s uck generating> ้ถ้าเคยทำบาปมาทำอย่างไรดีก็คือ อยากจะให้ฝึกอาณาปณสติก่อนนะเหตุผลอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วที่พูดถึงในเรื่องของอาณาปณสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เป็นประธานไอ้คำว่าสิ้นกรรมเนี่ยหมายถึงความเป็นพระรหัน์นะถึงจะสามารถหักกรรมแห่งสังสารวัชกได้กรรมเนี่ยมันจะไม่ตามส่งผลมนุษย์ ก็ต่อเมื่อกระแสะชีวิตนั้นมันไม่จิตติก็คือมันไม่เกิดเออมันไม่ปฏิสนธิก็คือไม่เกิดต่อแต่ถ้าตราบใดยังมีกระแสะชีวิตที่มันเวียนว่ายตายเกิดอยู่กรรมมันก็ให้ผลในรูปน้ําขันห้านี่แหละฉะนั้นจุดหมายชีวิตของพุทธบริษัทหรือที่พระเจ้าสงหวังก็คือว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถสิ้นกรรมได้สิ้นกรรมนี่เป็นชื่อของการที่เป็นพระหรหันแล้ว การที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นต้นได้ก็จะต้องมีการศึกษาการประพฤติปฏิบัติเป็นไปนตามลําดับที่พระองค์ทรงบอกไว้ฉะนั้นการมาศึกษาอย่างจริงจังดีไหมในอนาปานสติแล้วก็ประพฤติปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าทําสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยทำอย่างไรอันนี้ก็ให้นึกเสียว่าทุกคนเคยทํามาทั้งนั้นนั่น่องกรรมที่ไม่ดีเนี่ย ก, กรรมที่ทําไม่ดีในพบนี้หรือในพบที่ผ่านๆมาเนี่ยเคยทํามามากมายสิ่งตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นเตือนนะจะทําให้เราเนี่ยได้ฉุกคิดว่าเออเรานี่ประมาทไม่ได้แล้วฉะนั้นจะต้องเร่งขวนขวายในการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าตราบใดเราหยุดในการเจริญกุศลใช่ไหมบาปเนี่ยถ้าบาปมันตามมาทันเมื่อไหร่เรียบร้อยไหมคําว่าเรียบร้อยแปลว่ามันก็ให้ผลฉะนั้นถ้าเรากลัว บาปนั้นมันจะตามให้ผลก็อย่าหยุดทำความดีแค่นี้เร่งทำความดีให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถให้เต็มศักยภาพที่เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พึงกระทำนะให้ทาลักษณะอย่างนีน้ถามว่าดูลมที่จะหมูเฉพาะอานาปานณสติส่วนดูลมที่ท้องเฉพาะพองยุบใช่หรือไม่ก็คือ อาณาปณนสติเนี่ยเาดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่เป็นอาณาปณนสติแต่การดูท้องพองยบเนี่ยไม่ใช่อน า, านาปณะมันเป็นกรรมฐานคนละกรรมฐานถ้าจะให้วินิจฉัยกรรมฐานที่ดูท้องพองเลยยบเนี่ยเป็นธาตุกรรมฐานเพราะไปดูอาการพยุงและการผลักของลมของธาตุลมก็้ใจใช่ไหมลมที่ผลัก พักแล้วก็พยุงพักแล้วก็พยุงแต่ธาตุเนี่ยมันมีอยู่สี่นะธาตุดินก็ธรรมชาติที่แข็งและอ่อนธรรมชาติที่หนักและเบาธรรมชาติที่หยาบและเกลี้ยงเกลาถ้าธาตุน้ำก็ธรรมชาติที่ไหลและเกาะกลุ่มถ้าธาตุไฟก็ธรรมชาติที่เย็นและร้อนถ้าธาตุลมก็ธรรมชาติที่พยุงและผลักดันเห็นไหม ที่จริงในร่างกายของเราเนะี่ยมีตัวกลุ่มาธาตุลมทั้งหมดเลยนะมันผักดันหมดแม้แต่ที่ศีรษะแม้แต่ที่ร่างกายทั้งหมดเหล่านี้ก็กลุ่มาธาตุลมทั้งนั้นที่ทําให้มนุษย์เคลื่อนไหวอวัออยวะเป็นต้นไดทีนี้ที่แนะนําก็คือว่าเอออนาปนสติกับยุบหนอพองหนอคนละกรรมฐานกันนะคนละกรรมฐานก็ต้องแยกออก แต่ที่แนะนําเรื่องอานาปนาสตินี่แนะนําไปตามพุทธคน์ตามคําสอนที่พุทธเจ้าบอกไว้แต่ถ้าเราทําอานาปนสติประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเวลาจะไปต่ออันอื่นจะง่ายจะง่ายและจะสะดวกเพราะจะเข้าใจในลมนะเพราะเป็นกรรมฐานที่เป็นประธานอานาปนาสติดูลมที่จะหมกสับสนกับพองยุบ บอกวิธีแยกกำหนดหน่อย่ห ม, ม่เป็นอย่างเงี้ยเวลาเราดูลมเนี่ยไก่ท้องเนี่ยท้องมันเด่นกว่าใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโยมคนที่เคยดูท้องพองยบมาพอดูปอกก็วิ่งวิ่งลงมาอยู่งี้ตลอดเลยเนี่ยเป็นเงี้ยไม่เป็นไรหรอกก็เพียงแต่ว่าพยายามวางว่าตอนนี้เราจะวิธีการก็คือหนึ่งให้เกิดศรัทธาในพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วเชื่อมัน่นแล้วบอกเอาละ เราจะเจริญกรรมฐานเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระตถามคดพอตั้งใจอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยไปดูเอามาก็เคยทํามานะเวลาดูอย่างนี้ใหม่ใ่มันวิ่งมันวิ่ ง, งลงท้องเรื่อยเลยเพราะท้องรู้สึกมันใหญ่มากกว่ามันเด่นชัดมากกว่าอะไรเงี้ยมันจะเหมือนดูอย่างนี้นะแต่บางคนก็จะอึอดอัดนะดูตรงเนี้แต่นี้เราต้องการจะเจริญให้เป็นกิจจลักษณะนะเราต้องการจะทําให้เป็นกิจจลักษณะทําให้เป็นไปตามลําดับ และครกกัจะขอเดินอาณาปณะสติก่อนเมื่อประสบความสําเร็จในอาณาปณะสติแล้วต่อไปเราจะเดินกรรมฐานอื่นง่ายบริหารกรรมฐานอื่นง่ายเช่นเวลาจบอาณาปณะแล้วมาดูธาตุกรรมฐานง่ายมากเลยแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยเราไปดูธาตุกรรมฐานก่อนนะเข้ามันจะคอนโทรไม่ค่อยได้เท่าที่เห็นประสบการณ์มาเยอะนี่นะเช่นพอดูอาการผักพยุงผักดันเนี่ยนะเขามันผักดันทั้งตัวเลยตัวเนี้ยเอาละสียตัวเนี้ย ก็ต้องไปดูไอ้ต้องไปกําหนดกําหนดพยุงเพื่อจะผ่อนคลายแต่นี้มันก็เกิดอาการแต่อาการที่มันไม่บาลานซ์กันในเรื่องของอินทรีย์เพราะด้วยจิตของตนเองไม่ได้แข็งแรงพอแต่ถ้าหากว่าเราได้กําลังของฌานสมาบัติมาก่อนไอ้ตัวศรัทธาวิริยสติสมาธิมันสมดุลกันหมดฉะนั้นอาการที่จะมีความที่จะต้องไม่คอนโทรลธาตุทั้งหลายเหล่านี้ก็จะจะง่ายเลยทีนี้เพราะอาศัยกรรมฐานที่เราได้ ประสบความสำเร็จสักกรรมาฐานหนึ่งแล้วนี้เป็นหลักยังง่ายกว่าเออตอนที่พระ อ, อาจารย์เทศครั้งที่สองฟังแล้วขนลุกกายเบาเหมือนเหมือนตัวจะลอยเนี่ยต้องคมไว้ทำถูกต้องหรือเปล่าต้องแก้ไขอาการขนลุกเนี่ยเป็นอาการของปีติเนี่ยมันมีปีติประเภทหนึ่งก็เรียกอุเพงคาปีติเนี่ยตอนที่ อนาคาริกธรรมปาละตอนที่ท่านไปที่ตัสรุของพระเจ้าครั้งแรกตอนนั้นก็สถานที่กับพวกมหารมันปกครองหมดแต่ยังมีรอยออท่านวัชระอาที่ประทับนั่งตัสรุของพระเจ้าที่ในยุคที่พระเจ้าโศกทำเข้าไว้เนี่ยไม่มีคนสนใจแล้วเก่า แล้วก็ทิ้งเกรกาะเกรกาะหมดแล้วพอท่านไปถึงท่านสุดลงและท่านก็ก้มศรีรษะใช้ศรีรษะเนี่ยแตะที่ที่พระแทนวันชระอาจในบัดดลนั้นน่ะท่านพูดเองนะท่านบอกอุเพงคาปิติคนลุกชูชันก็เกิดขึ้นกับท่านตัวท่านก็ลอยขึ้นท่านก็กอบร้องไห้แล้วท่านก็อธิษฐานว่า ท่านจะมากรอบกู้สถานที่ตัสรู้สัมมาสัมพทิยานของพระพุทธเจ้าให้เป็นสม บ, บัติของชาวพุทธให้ได้แล้วท่านก็ต่อสู้มาทั้งชีวิตในม่ประวัติท่านน่ท่านถูกจับโยนโทนทุบโดนตีแทบตายไม่รู้เท่าไหร่ท่านไปตามประเทศต่างๆไปร้องในองค์กรต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยท่านมาถึงสองครั้งมาขอรับบริจาคในยุคนั้นน่ในยุคสมัยรัชกาลที่หเพื่อต้องการที่จะไปหาเงิน ที่ไปกู้ไปบูรณะเพื่อต้องการไปต่อสู้จะเรียกร้องสถานที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าให้เป็นสมบัติของชาวพุทธทั่วโลกให้ได้กลัมาท่านก็ไปที่อังกฤษไปที่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะท่านไปได้ที่อังกฤษเนี่ยเยอะท่านไปมีแม่เลี้ยงท่านหนึ่งเอาเงินช่วยท่านก็มาต่อสู้สมบัติส่วนตัวขายเยี่ยงหมดเลยมาประเทศไทยสองครั้งไม่ได้รับการบริจาคเลยครั้งนั้นสมัยนั้นนะเออนี่ก็เป็นเรื่องที่ แต่ตอนนี้ท่านก็ต่อสู้และตอนที่ท่านต่อมาบรรพายชีวิตท่านบวชแล้วตอนที่ท่านจะตายท่านอาธิษฐานว่าขอให้มาเกิดในชมพูทวีปเนี่ยเพื่อมากอบกู้พุทธศาสานาอีกยีห้าครั้งก็ตอนนั้น2อ2 0กว่ากว่าใช่ไหมก็สองพั้ยยี่สิบเดีก็องพันห้าก่อนสอ0พัั้นท่านมาอาธิษฐาน บอขออีกมาเกิดยี่้าครั้งร้อยปีมาครั้งหนึ่งร้อยปีมครั้งหนึ่งดีงกว่าพุทธศาสนาจะหมดเนี่ยให้มันได้กอบกู้พุทธศาสนาในโลกนี่นี่ก็เป็นแรงดนบันดาลจากปิตีนี่แหละที่เกิดขึ้นกับท่านที่ถ้าไม่ให้ท่านตัวเบาตัวลอยนี่แหละอันนี้เป็นกลุ่มของกุศลเป็นเรื่องที่ดีไหมดีขอให้มันเกิดเยอะๆเหอะพิตีเนี่ยจะเป็นปจัจจัยแต่ความสงบแล้ก็เป็นปจัจจัยแต่สมาธินี่แต่ต้องเป็นไปกับความดีเนี่ย เวลานอนหลับตาชอบคิดเรื่อยๆหยุดไม่ได้เรื่องแต่งบ้างเรื่องในอดีตบ้างสับสนวุ่นวายคิดเรื่องจริงหรือหลอกแล้วคิดทำไมอยากจะนอนแต่ก็หยุดคิดไม่ได้มีวิธีแก้ไขยังไงเออที่ใครเขียนวันนี้อยอมเป็นไหมยอมมีใครเป็นไหมประเภทที่นอนยากๆเนี่ย ม, มีไหมมันคิดตลอดเวลาเลยเนี่ย เยอะนะโรคนี้เดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะมันเป็นอาการเหตุผลเนี่ยมันมาจากการที่เราปรุงแต่งเออตัวนี้เขาเรียกว่ากามวิตกแม้ที่จริงเรื่องนี้อามาจะอามากลาเดี๋ย ว, วจะบรรยายในวันพรุ่งนี้นะอามาจะบรรยายเรื่องกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วจะบรรยายเรื่องเนคขมาวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตก แล้วจะพูดถึงเรื่องสองสูตรม า, มาเชื่อมประสานกันระหว่างทเวทาวิตากาสูตรกับวิตากาศสันฐานาสูตรคือจะให้รู้กระบวนการของความคิดและเราจะได้ชำนาญในช่องทางของความคิดเล้จะจัดกระบวนการของความคิดยังไงเราความคิดอย่างไรความควรส่งเสริมความคิดประเภทใดควรที่จะจัดการแก้ไขงั้นต้องฉลาดในสองสูตรนี้ ที่พระเจ้าตรัสไว้ว่ากระบวนการของความคิดที่เสียหายและเป็นเหตุทําให้กระแสชีวิตทังเป็นยังไงกระบวนการความคิดที่ควรให้เกิดขึ้นและส่งเสริมทําให้กระแสชีวิตเข้าถึงที่สิ่งที่ดีงามไั้เป็นยังไงจะมาพยายามจะใช้สองสูตรเนี่ยมาสรุปประเด็นอาจจะเป็นเรื่องยาวนิดนึงนะอาจจะพูดช่วงช้าหรือช่วงบ่ายจะดูอีกทีพูดเรื่องกระบวนการถ้าจัดการกับความคิดที่มันไม่ดีได้ส่งเสริมความคิดที่ดีได้แล้วก็พัฒนารู้แนวทาง คือวิตติกาสันฐานนสูรท่านพูดถึงไอ้ตัวเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดกระบวนการความคิดเช่นเราจะละมันยังไงพวกวิตกที่เสียหายจะละยังไงวิธีที่1นึ่ละไม่ได้ใช้วิธีที่สองที่สองละไม่ได้ใช้วิธีที่3าสไม่ได้ใช้วิธีที่4 4ี่ไม่ได้ใช้วิธีที่5วิธีที่5้นี่เป็นวิธีที่สุดท้ายเลยวิธีการจัดการกับวิตตกฝ่ายเสียให้ยังไงเป็นต้นเนี้ยงั้นเดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่ในเรื่องกระบวนการความคิดเนี่ย นั้นก็ขอขอติดปัญหานี้ไปไว้วบนพรุ่งนี้ดีไหมพวกเราเป็นคนคิดเลื่อยเปื่อยไหมได้มากชอบคิดเลื่อยเปื่อยไหมอ้าใครหนักเรื่องกามาวิตกชอบคิดเรื่องกามคิดเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องทรัพย์อกลุ่มนี้มีเยอะไหมยกมือหน่อยทีเออมีเอ้ากลุ่มพยาบาทที่ตกหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายชอบ ใจน้อหงุดหงิดง่ายโกรธวิตตกกังวลเยอะไหมกลุ่มนี้เยอะไหมอา้าวเยอะนะอา้าววิหิงสาวิตกคิดชอบเบียดเบียนคนอื่นชอบคิดให้คนอื่นเช่นมีคนขับรถปาดหน้าก็ไปตายซะค <c oughs> รือว่านึกไม่ชอบใครขึ้นมาก็นึกอยากให้เขาวิบัติบ้างอะไรบ้างบ่อยไหมแบบเนี้ยอยกมือที่มีไหมถ้ากลุ่มนี้แรงนิดนึงนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแก้ไขยังไง มันมีกระบวนการที่พระเจ้าบอกหนึ่งสาี่ากัไว้ถ้าหวิธีใช้ไม่ได้แต่เชื่อว่าใช้ได้นะวิธีที่หเป็นวิธีการที่รุนแรงที่สุด <c oughs> ถ้าคนไม่มีสมาธิจะเกิดอาการใดบ้างโปรดอธิบายโดยกว้างโดยละเอียดจะเกิดผลอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต โอ้โห oh, สมาธิคือคือสมาธิยังได้กล่าวไว้แล้วว่ามันจะมีคำว่าคุณภาพสมรรถภาพและวความสามารถใช่ไหมคนที่ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีคุณภาพจิตที่เกี่ยวกันในเรื่องของเมตตากรุณาเมตตาคุณภาพจิตที่เป็นความซื่อสัตย์สุจริตกรตันยูกระตเวีทีทั้งหลายเนี่ยคุณภาพจิตต น, นี้จะเสียไปเลย เวลาจะเจริญเมตตาก็ได้นิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆไม่สามารถจะเป็นไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องได้นี่คือความเสียหายแล้วจิตจะงุดหงิดง่ายจะเครียดง่ายจะวิตกกังวลง่ายหมดเลยใช่เพราะเนี่ยไม่มีคุณภาพคือคุณธรรมเหล่านี้จะไม่เกิดสองจะไม่มีความสามารถก็คือสมรรถภาพของจิตจะแย่มากคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยเช่นจะไม่มีความอดทน จิตจะไม่แข็งแรงจิตจะไม่แกล้กลาจะไม่มีความภาคเพียนจะไม่มีความขยันจะไม่มีความอดทนนะคือความภาวะที่จิตมีความทนทานต่ำมากแต่คนที่มีสมรรถภาพจิตดีเนี่จะมีความทนทานจิตนั้นจะมีความทนทานสูงเพราะมีสติสัมปชัญญะมาคอยกํากับจิตให้ตั้งอยู่บนเหตุและผลไม่เอ็งเอียงไปหาสิ่งที่ชอบและชัง มีสำคัญมากเห็นไหมจิตที่มีสมาธิเนี่ยแล้วจิจตนั้นจะเข้มแข็งแรงเข้มแข็งมีความอดทนสูงแล้วก็ไม่ไม่กลัวต่ออุปสรรคเจออุปสรรคเจอปัญหาใดๆก็จะไม่ท้อมีความบากบั่นก้าวไปใจสู้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็จะมีกําลังของสติคือความระลึกอย่างติดต่อแล้วก็สมาธิก็ความแนบแน่นแต่ถ้าตรงกันข้ามเนี่ยโอ้เสียหายมากพังเลยเรียกความสมรรถภาพจิตพัง อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่มีสมาธิจะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ตลอดไม่มีความสุขเลยจิต ใ, ใจจะเครียดจะกลุ้มจะงดหงิดวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยจะยืนก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขนั่งก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขมันจะอ่อนละโหยเลยมันจะเพีย้ยรียใจหมดเลยใช่ไหมเพราะจิตมันไม่มีความสามารถที่จะได้ความสุข ไม่มีความสามารถที่จะททำปลาโมดปีติปัสสิสุขเนี่ยสมาธิทั้ความเสียหายก็คือว่าห้ามตายก่อนตายแล้วก็มีอบายเป็นที่ไปเพราะอะไรทำไมถึงมีอบายจิตฟุ้งซ่านเนี่ยไปไหนใช่ไหมพพุทธเจ้าว่าไงบอกว่าจิตเตสังกิริเถ ทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตอ่อนแอจิตเศร้าหมองจิตที่มีสังกิเกตเข้าเจือปนแล้วตายไปแล้วเป็นลงทุกขติไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุกรกายบ้างฉะนั้นถ้าใครยังฝึกจิตไม่ได้อย่าพึ่งตายหายใจไว้ <laughs> <laughs> เข้าใจไหมยอย่าพึ่งตายก่อนทนไหวไหม เอาถ้าตายได้จิตฟุ้งซ่านจะไปไหนแปอบายทุกขติวิริบบัยเพราะว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะมีนิมิตไม่ดีมาใช่ไหมพอนิมิต ท, ที่ที่ไม่ดีมามันก็จับนิมิตนั้นแล้วมันฟุง้งมันก็แต่งเรื่องนั้นไปแล้วแต่นี้ก็เรียบร้อยเลยแต่นี้แล้วก็จะลองคิดดูที่วันวันหนึ่งแล้วก็อกุศลเกิดอย่างต่อเนื่องมันเป็นอจินตกรรมไปแล้วเข้าใจคําว่าจินตกรรมไหม กรรมที่ทําเสมอกรรมที่ทํำบ่อยๆ บ, บาปที่คิดตลอดเวลาที่เป็นบาปตลอดเวลามันมีกําลังไห้เล่ามันทําตลอดเวลาทําจนชํานาญทําจนเคยชินทําจนหยุดไม่ได้ฟุ้งอยู่ตลอดเวลาโกโรธหงดหงิดอยู่ตลอดเวลาเครียดอยู่ตลอดเวลาวิตกกังวลตลอดเวลาเนี่ยไอ้อจินตกรรมตรงนี้ที่มันทําอย่างต่อเนื่องกายเจเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวไปแล้วทล่ไม่ได้เสียหายไหมเสียหายไม่เสียหายฉะนั้นการจเจริญอาณาบรรณสติดีไม่ดี เออต้องรีบฝึกเสียทีเนี้ยการอาโหาสิ ก, กรรมกับการให้อภัยเหมือนกันไหมการฝึกภาวนาการฝึกการให้อภัยจากง่า ย, าายไปสู่ยากจะทํำยังไงการอาโหาสิกกรรมคืออย่างนี้ <c oughs> มันมีคําว่าปฏิกรรมเนี่ย ปฏิก ร, รมเนี่ยศัพท์เนี่ยถ้าศัพท์พระนี่เขาใช้คําว่าปติกรรมจะมีคําว่าอาปฏิปติกรรมมีปวารณากรรมมีอจิยะเทศนาสามอย่างถ้าอาปฏิปติกรรมก็คือว่าพระเวลาท่านทําผิดต้องอบดับขึ้นมาเคยเห็นพระท่านแสดงอบับดับไหมท่านปรงอบัตเคยเห็นไหมพระท่านจะไปอีกรูปหนึ่งท่านจะเข้าไปหาอีกรูปหนึ่งของผ้าลดไหล แล้วก็ยืนกระโยงบันนมมือเออนั่งกระโยงบรนนมมือแล้วก็แสดงอาบัติบอกว่าสัพพาตาปิโยวาไปบอกว่าเนี่ยครัพระเจ้าได้ต้องอาบัตอะไรมาเนี่ยบัก ง, งั้นเถอะ ม, มาบอกแกท่านให้ได้ทราบ พ, พระเถรไลอีกรูปนึงก็บอกว่าเออดีแล้วเมื่อท่านเห็นโทษด้วยความเป็นโทษจะแก้ไขบอก ง, งั้นต่อไปครัพระเจ้าจะไม่ทําอีกแล้วเป็นต้นก็คือมาขอแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองใหม่ว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไป ส่วนเวลาออกพรรษาเนี่ยพระท่านจะทําพิธีอย่างหนึ่งเขาเรียกปวารณากรรมสังคัมพันเตปวารเรมิทิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัฏันดุมังไยยะสวันโตนุกังบังกบาทายปะปัสสันโตปะิกริสามีเนี่ยอันนี้ท่านปวนารณาแกสงฆ์พระเถระในที่ประชุมนั้นจะต้องเป็นผู้ปวารณาก่อนว่าขอสงฆ์เนี่ยบอกว่าโปรดทราบว่าถ้าสงฆ์ได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีเกิดสงสัยก็ดีในพฤติกรรมของผมของฉัน ขอให้สงโปรดอาศัยความอนุเคราะห์กรดุนาว่ากล่าวตักเตือนฉันถ้าฉันเห็นแล้วฉันจะปฏิกรรมก็คือจะแก้ไขปรับปรุงใหม่เห็นไหมเนี่ยเ้าจะปวารณากันอย่างเงี้ยถ้าเห็นว่าฉันได้กระทาผิดใดๆแล้วเนี่ยบอกว่างั้นเห็นแล้วจะทำคืนส่วนอีกเรื่องหนึ่งคืออจิยะเทศนากนอย่างพวกเราเคยทวัสวดมนต์ไหม กายเยนวาจายเยตัสายะพุทธะกุกกรรมังปะกตังมายายังพุทโธเบริคัณนาตุอัจเยีนตังการันเตเรสังวาริถุงวะพุทธะแปลว่าอะไรด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าตีเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โปรดงดซึ่งโทษล่วงเกิดอันนั้นเพื่อการสํารวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปเอายกตัวอย่างหน่อยตอนที่พระเจ้าอาชาติศัตรู พระเจ้าชาตูพระเจ้าชาตูทำกรรมอะไรฆ่าใครฆ่าพระเจ้าพิม ษ, ษุสารแล้วทำอะไรอีกสมคบคิดกับพระเทวทัตในการที่จะ ป, งปรงวชนชีพของพระเจ้าด้วยใช่ไหมโอ้เรื่องใหญ่เยอะต่อมาเนี่ยเกิดวิปฏิสารอย่างรุนแรงแล้ว แล้วอาสรุปประเด็นก็คือเข้าไปหาพระพุทธเจ้าที่ให้หมอชิวโกมาลพัทเข้าพาเข้าไปที่ชิวกาอวันน่ะอยู่ติดกับเขาคิจชูกรดพอเข้าไปแล้วก็เข้าไปกราบขอขมาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้ากระทำกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ฆ่าพระบิดาซึ่งเป็นพระอริยะด้วยเป็นพระย้าเพชรดินด้วยได้ความโง่ด้วยความเขานี่แหละ แล้เป็นสาวเป็นพุทธบริษัทของพระุทเจ้าด้วยขอให้พระเจ้าโปรดอดโทษให้ข้าพระเจ้าด้วยพระเจ้าก็ดูก่อนมหาบอพิษเมื่อมหาบพิษเห็นโทษโดยความเป็นโทษมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ตั้งใจใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ว่าจะไม่กระทําเช่นนั้นอีกนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระริยาแต่ถาคตอดโทษให้เธอเนี่ยตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าชาติต้ก็สบายใจ ลักษณะนี้เขาเรียกว่าไปขอคำมาต่อพระรันตนตรัยและพระรันตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็อดโทษให้แต่มีข้อแม้ว่าเธอเนี่ยต้องมาการไปขอคำมาก็แปลว่าจะไม่ทํากรรมเช่นนี้อีกแล้วเห่นไหมต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทํากรรมชั่วทางกายอีกแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทํากรรมชั่วทางวาจาอีกแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทํากรรมชั่วทางใจอีกแล้วขอให้พระพุทธเจ้านั้นโปรดรับ รู้ไว้พระเจ้าบอกเมื่อเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษเห็นแล้วว่ากรรมชั่วมันมีโทษมันให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วเธอมาตั้งใจเพื่อจะแก้ไขปรับปรุงใหม่ปฏิกรรมก็าไปว่าแก้กรรมไม่ใช่ไปแก้กรรมแบบผิดๆนะแก้กรรมก็คือแก้ไขพฤติกรรมใหม่พฤติกรรมทางกายที่ไม่ดีก็แก้ให้เปนดีพฤติกรรมทางวาจาที่ไม่ดีก็มาแก้มันดีพฤติกรรมทางใจที่ไม่ดีก็มาแก้มันดีลักษณะนี้ก็เรียกแก้กรรม แก้พฤติกรรมเข้าใจยังแต่เนี้ยเหมือนเราไปแก้กรรมไปขอแก้พฤติกรรมกับพุทธเจ้าอ่ะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าติเตียนใดใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วไหนพระพุทธเจ้าพูดคล่องเลยพอเสร็จแล้วแล้วแก้ไขจริงไหม ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ต่อไปข้าพจเจ้าจะไม่ทำผิดศีลอีกแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะไม่พูดให้ผิดศีลต่อไปใจของข้าพเจ้าจะเป็นไปกับพระราชาตรา ย, ยัางงี้เป็นต้นแั้นถ้าถามว่าขอโสกกรรมเนี่ย ก, การให้อภยัยเหมือนกันไหมขออโหศกกรรมคือการพูดไปขอ คนที่ให้อภัยคือคนอดโทษให้ก็คือพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่เราไปขอคนละคนนะคนละคนการฝึกการให้อภัยจากจากง่ายไปสู่ยากจะทําอย่างไรไม่ยากในะการให้อภัยนี่ยคําว่าให้อภัยเนี่ยก็ยยแปลว่าอะไรก็แปลว่าให้ให้อะไรร ไ, ไหมยให้ความปลอดภัย ให้ความปลอดภัยถามว่าศีลห้าเนี่ยเป็นอภัยทานไหมเป็นไม่เป็นอาศีลห้าเป็นอภัยทานหรือเปล่าถามเป็นไหมการให้ควาการให้ความปลอดภัยในชีวิตนั่นะไรไงนี่อภัยทานก็คือให้ชีวิตเป็นทานการให้ความปลอดภัยในทรัพย์สิลศีลก็สองใช่ไหม การให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยามีศีลก็สามไหมการให้คําสัตย์คําจริงมีสินก็สี่การไม่เอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตให้ความไม่หวาดระแวงมีเป็นอภัยทานนี่ยังเป็นไหมไม่ยากเลยเห็ไมไปฝึกให้เกิดขึ้นการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนี่คือการให้อภัยเอาแล้วคือกล้ากล้าลุกขึ้นมาประกาศกล้าไหมลุกขึ้นยืนประกาศ ให้กับคนเป็นร้อยคนที่ในสมาคมอย่างนี้ยท่านทั้งหลายจาหน้าข้าพเจ้าไว้จําตัวทั้งหมดด้วยต่อไปท่านทั้งหลายปลอดภัยแน่ๆนนข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนชีวิตของท่านทั้งหลายแล้วจะให้มอบใจน้อมใจของข้าพเจ้าเนี่ยให้ให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีอายุยืนด้วยนี่ให้ให้ความปลอดภัยยังเป็นอภัยทานอย่ยงเป็นนี่ยัง ท่านทั้งหลายทรัพย์สมบัติของท่านจงเป็นของท่านข้าพเจ้าจะไม่น้อมเอาทรัพย์สมบัติของท่านมาเป็นของข้าพเจ้าขอให้ท่านจงมีความสุขกับทรัพย์ทำประโยชน์ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นอภัยทานนี่ยังบุตรภรรยาสาบีญาติวิทย์ของท่านจงอยู่กับท่านโดยมีความสุขข้าพเจ้าจะไม่เบียดบังหรือจะไม่น้อมมาเป็นของตอนนี้และเมื่อข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับท่านข้าพเจ้าจะพูดแต่คําจริง ส่งเสริมความจริงด้วยและจะกล่าวแต่คําวาจาที่สมัครสมานสามาคัคคีถ้าท่านแตกแยกกันข้าพเจ้าจะพูดให้คนท่านดีกันส่งเสริมสามัคคีด้วยสนับสนุนสามัคคีทำด้วยและเวลาจะเป่งวาจาข้าพเจ้าจะกล่าวแต่ปิยาวาจาให้ความปลอดภัยด้วยไม่ทําให้ท่านตกใจอะ่ะแล้วก็ข้าพเจ้าจะพูดแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไม่พูดเพ้อเจอเป็นเหตุให้ท่านเสียประโยชน์ด้วย และท่านสบายใจได้ข้าพเจ้าจะไม่ทําลายสติสัมปชัญญะของตนเองด้วยการเอาของมึนเมามาใส่ในกระแสะชีวิตท่านอยู่ใกล้ข้าพเจ้าท่านปลอดภัยแน่นอนกล้าไหมกล้ายืนขึ้นแล้วประกาศนี้ทุกคนไหมกล้าไม่กล้าเออมีศีลต้องเป็นแบบนี้ปลอดภัยแบบนี้แหละนั้นการให้อภัยทานง่ายไม่ง่ายแต่ต้องฝึกการให้อย่างอื่นก่อน แล้วก็ฝึกให้เกิดขึ้นจริงๆให้เป็นกระแสชีวิตอย่างแท้จริงนะถ้าเข้าปฏิบัติทำรรพยาพยามจะไม่ใส่แว่นมองไม่เห็นจะตั้งใจมีความเพียรมีปราโมชจิตจะขยันมีง่วงหลับบ้าง แต่ถ้าอยู่บ้านความเพียรมันจะหายกิเลสจะชนะเสมอกาบเปียนถามจะสร้างความเพียรอย่างไรอ๋อถ้ามาอยู่สถานที่ตรงนี้รู้สึกมันจะความเพียรก็ได้แต่เวลากลับไปบ้านความเพียรมันก็หดหายใช่ไหมใครเป็นแบบนี้ไหม รู้สึกเวลามาอย่างนี้เห็นคนอื่นประพฤติปฏิบัติด้วยได้สิ่งแล้วสิ่งกระตุน้นทั้งหลายเหราเนี่ยและพอกลับไปบ้านถามว่าเวลากลับไปบ้านเรายังมีวินัยแบบนี้อยู่ไหมมีไม่มีตื่นตีสี่ตื่นไหมยอยู่บ้านตื่นกี่โมงฮะตีห้าอาใครตื่น8ปดโมงเช้า <ś led> ใครตื่นเจ็ดโมงเช้าหกโมงเช้าโอ้โหชักเยอะขึ้นตีห้าตีสี่ตีสามโอ้ตีสองี่ใครไม่นอนเลยฮะนีเออเอางี้ว่า เวลาสร้างความเพียรเนี่ยนะในคำสอนท่านพูดถึงการปลุกเราเนี่ยหนึ่งตั้งใจอย่างแน่วแน่ตั้งใจอย่างแน่วแน่นะประการแรกเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดเนี่ยจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นทำได้ไหม คือไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดเจอเรื่องราวอะไรไปทํากิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะให้ทานกุศลเท่านั้นเกิดจะให้ศีลกุศลเท่านั้นเกิดจะให้ภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นนอกจากทานศีลภาวนาแล้วอย่างอื่นจะไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตของข้าพเจ้าอย่างเด็ดขาดนี่ตั้งใจก่ทุกวันก่อนที่จะก่อนจะลุกจากที่นอนให้ตั้งใจเลยพอลืมตาขึ้นปุ๊บยังไม่ลุกก่อนลืมตาขึ้นก็ตั้งใจเดี๋ยวนั้นเลยทําได้ไหม ว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบแต่ฉันจะให้ทานกุศลเท่านั้นเกิดศีลกุศลเท่านั้นเกิดภาวนาวกุศลเท่านั้นเกิดในกระแสะชีวิตของข้าพเจ้าได้ไหมนี่ข้อแรกได้ไม่ได้ได้ไห ม, ไไไหมคิดแบบนี้ได้ไหมคิดทุกวันคิดตลอดคิดเสมอเสมอสองปลึกจิต ฝึกจิตนะก็คือว่าเวลาบาปมันเกิดเช่นความไม่มีศรัทธามันเกิดความเกลียดค้านเกิดความหลงลืมเกิดความฟุ้งซ่านเกิดหรือความซึมซึมมึนมึนมันเกิดเนี่ยนะความหลงความไม่รู้เนี่ยมันเกิดจะต้องรีบออกจากสิ่งเหล่านั้นออกจากบาปเหล่านั้นทันทีคือจะไม่ปล่อยใจให้แช่อยู่กับบาปนาน ให้รังเกียจบาปลังเกียจความไม่มีศรัทธาลังเกียจความเกียดค้านลังเกียจความหลงลืมสติลังเกียจความฟุ้งซ่านลังเกียจความงู้รังเกียจ เ, เ, เลยว่างั้นเถอะเหมือนเวลาเราเร า, เรานั่งอยู่อย่างเงี้ยขอภัยนะถ้ามีคนคว้างอุจจระปุ๊บมันติดที่หน้าเราเนี่ยะติดกันคนละเม็ดละเม็ดละเม็ดเลยมีใครจะนั่งฟังธรรมไหมหรือจะรีบไปล้างรีบไหม รีบไม่รีบทำไมต้องรีบเพราะมันสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนั้นบาปที่มันเกิดในใจกับอุจระที่ติดหน้าผากอันไหนมันน่าเกลียดกว่ากันอะไรน่าเกลียดกว่ากันฉะนั้นต้องรีบล้างออกทันทีเดี๋ยวนั้นรีบสลัดไไม่เอาไอ้ความไม่มีศรัทธาไม่เอาความเกลียดค้านต้องรีบอย่าปล่อยให้แช่อยู่นานนะ เหมือนในเอา้าลองลองลองนึกดูคนที่เขาคนที่เขาปล่อยตัวเองคลุกกับฝุ่นเนี่ยใหม่ๆเขาก็ไม่ชอบนะแต่พอไปคลุกอยู่แป๊บเดียวเขายินดีเลยนะเขาจะยินดีในในใ น, ในความสกรปรกทันทีนะลองมีลูกเล็กๆไมล่ะลองลองทำให้เขาสกรปรกทุกวันดิแป๊บเดียวอะ่ะเขาจะไม่ชอบความสะอาดเลย เขาจะไม่ชอบนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปให้บาปเกิดนานเดี๋ยวใจมันจะไปยินดีในบาปต้องรีบแก้แก้ไขเร็วๆนะเวลาบาปเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเหมือนคนที่เขาคิดเพ้อเจ้อไปเรื่อยใหม่ๆเขาไม่ชอบนะแต่พอเขาไปคิดจนมันติดร่องแล้วลงร่องแล้วเลิกกลายเป็นคนเพ้อเจ้อเหมือนคนพูดไม่รู้เรื่องอะ เคเห็นคนพูดเพื่อเจอไหมใหม่ๆเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแต่เขาไปไปคิดว่ามันดีพอไปฝึกไ ป, ไปพูดเพื่อพูดเข้านะ่ะเขาติดเลยออกไม่ได้เลยเหมือนคนขี้โกรธเนะี่ยใหม่ๆเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่พอต่อมาเนี่ยพอความโกรธมันเข้ามาแทรกซึมเขาเรื่อยๆนักเขานักเขาเขาติดความโกรธออกจากความโกรธไม่ได้เข้าใจยังฉะนั้นเราต้องรีบต้องรีบละทันทีอย่าปล่อยให้บาปแช่ในใจนานนี่ข้อที่สอง ข้อที่สฝึกฝึกจิตให้คุ้นเคยกับทานกับศีลกับภาวนาให้ติดต่อต่อเนื่องฝึกจนเป็นเนื้อเป็นตัวเข้าใจไหมฝึกให้เป็นเนื้อเป็นตัวฝึกความศรัทธาความขยันความมีสติความมีสมาธิและปัญญาทั้งหลายฝึกให้มันเกิดจนเป็นเนื้อเป็นตัวยริงคําเข้าใจคําว่าเป็นเนื้อเป็นตัวไหมขยันที่จะให้ทานขยันที่จะรักษาศีลขยันที่จะฟังธรรมขยันในการที่พืชปฏิบัติฝึกจนเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วจะแล้วจะคุ้นเคยไหม เนี่ยถ้าให้คุ้นเคยความดีสี่ก็คืออยู่ที่บ้านก็ทำพรัตนตไตรแวดล้อมเขาไว้สร้างพรัตนะไตรแวดล้อมให้ได้เอาทำยังไงให้มีพระพุทธเจ้าที่บ้านมีพระเจ้าประทับอยู่ไหมที่นอนเนี่ยที่ห้องพระมีไหมไปทำให้เรียบร้อยกลับไปเนี่ยนะถ้าไม่มีไปทำให้เรียบร้อยด้วยเอาถ้าห้องถ้าบ้านเรามันไม่มีที่ มันที่นอนที่นอนกับนะกับห้องพระเนี่ยเป็นห้องเดียวกันทํำยังไงดีวิธีการทําเป็นผ้าม่านปิดสมมติห้องเราอาจจะเล็กเนี่ยไม่เป็นไรนะทําเป็นผ้าม่านรูดปิดเขาใจยังเวลาจะสวดมนต์ทวารก็รูดผ้าม่านอันนี้พูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะเว้นถ้าบ้านเราหลังใหญ่ก็จัดเป็นห้องพระต่างหากถ้าเป็นห้องบ้านหลังเล็กก็ทําเป็นผ้าม่านปิดแล้วเวลาเราจะ พักผ่อนอะไรต่างก็ปิดพา้าม่านก็จะอยู่คนละห้องกับพระเจ้าเราก็จะสามารถทําอะไรไม่น่าเกลียดเข้าใจยังเราอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่อย่าเอาพระไปไว้ในห้องนอนโดยตนเองก็ปล่อยโล่งอย่างนั้นไม่ดีเขาใจยังถือไม่เคารพพระพุทธเจ้านะทําเป็นพระมา่านปิดเปิดเวลาจะสวดมนต์ทำวัดก็เปิดพระมา่านก็ถวายน้ําทุกวันได้ไหมตอนเช้าวถวายน้ําเปล่าตอนเย็นถวายน้ําเปล่า ตอนจะเปลี่ยนน้ำทำยังไงก็น้ำมาดื่มกินไงลาเขาใช่ไหมโอ้เนี่ยน้ำเราถวายพระเจ้าเอามาดื่มกินได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมก็สร้างสิ่งแวดล้อมไม่มีพระรนนาชนารัยแวดล้อมแล้วก็สนใจฟังทมเพื่อให้เกิดโยนิสโสมนสิการก็แก้ความเกลียดค้านเป็นต้นได้่าเอาแล้วพปกติสมงใช่ไห อ๋อเอา้ามีใครจะถามปัญหาอะไรอีกไหมนี่ไหมไม่มีแล้วเอาเชิญว่ามามาถามมาตอบปัญหาได้เยอะเลยเนี่ยเนเออที่พระอาจารย์บอกว่า ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่มันเป็นยังไงฮะอ๋อแม่ยอมถามจะตกใจเลย <c oughs> <c oughs> เออถามดีนะเนี่ยไม่ใช่ถามไม่ดี <c oughs> คืออย่างนี้นะฮะว่าเวลาเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีว่า การเสวยความสุขเนี่ยสุขการรักษาศีลเป็นความสุขไหมเออเนี่ยเราและเริ่มเริ่มเข้าใจคําว่ารักษาศีลมีความสุขนะการมาบําเพ็ญเนคขมามีความสุขไหมเนี่ยตอนที่มาบวชนี่ก็เรียกบำเพ็ญเนคขมารมีใช่ไหมพวกเราเนี่ยนี่กรื่องเนคขม้าคำว่าเนคขม้านี่เลยสับเขาเรียกเนคขม้าสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าสุขโขปัพจชา แปลว่าอะไรอ่ะสุขโขปปัชชาแปลว่าอะไรการบวชเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขหรือการบวชนี่ดีที่สุดเพราะมันทําให้เราได้ถึงความสุขเดี๋ยมาเล่าถึงนักบวชก่อนนะเราจะชี้ประเด็นที่โยมถามโยมรู้ไหมว่าทําไมอาธมามึงบวชรู้ไหมหนึ่ง อามาเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในสามัญญาผลสูตรพระเจ้าชาติสตูไปถามพระพุทธเจ้าว่าอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการบวชที่จะสามารถประจักษ์ชัดเห็นแจ้งณนะปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างมีไหมพระเจ้าบอกมีออาข้อแรกพระเจ้าบอกว่าการบวชไม่ต้องเป็นขี้ข้าใคร ไม่ต้องเป็นลูกน้องใครงั้นก็พุทธเจ้าก็เลยะยกตัวอย่างบอกว่าถ้ามีลูกน้องคนที่คอยรับใช้พระราชาตื่นก่อนนอนที่หลังดูแลประคับประคบอย่างดีแต่ต่อมาเขาท่านผู้นี้ ม, มองเห็นว่าโอ้ชีวิตของความเป็นคาวาะมันคับแคบไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งไม่เบาเลยเป็นชีวิตที่จะต้อง เป็นลูกน้องเขาต้องตื่นก่อนต้องนอนทีหลังต้องทํามาหากินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้บอกว่าแต่การบรรพชาเนี่ยเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งโุ่งเบาอย่างนั้นเลยมาพิจารณาอย่างนี้ท่านบอกว่าเอยเราบวช ด, ดีกว่าต่อมาท่านคนนี้ก็มาบวชแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาพระพุทธเจ้าถามบอกว่าถ้ามีลูกน้องออกบวชอย่างนี้แล้วเนี่ยมหาบพิษเนี่ยพระเป็นดินเนี่ยจะบอกให้ ลูกน้องกลับมาเป็นลูกน้องอย่างเก่าคอยรับใช้อย่างเก่าไหมพระเจ้าเป็นเด่นบอกไม่แล้วนอกจากไม่เอากลับมาเป็นคาวาสแล้วยังจะบำรุงด้วยปัจจัยสี่ด้วยดูแลด้วยพระเจ้าก็เลยถามว่านี้เป็นอานิสงส์ข้อแรกได้ไหมของการบวชบอกว่ได้อะข้อที่สองปกติชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในประเทศใดก็แล้วตก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องจ่ายภาษีอากรใช่ไหม ภาษีการค้าการทำงานภาษีโรงเรือนภาษีรถภาษีที่ดินว่าไปแต่อยู่ต่อมาท่านผู้นี้เห็นเบื่อหน่ายแล้วสล ะ, สะตนเองออกมาบวชทำตนเองประพฤติปฏิบัติขัดเกลาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถามบอกว่าพระราชารู้อย่างนี้จะตามกลับมาบอกให้มาทางานอย่างเก่าจะได้จ่ายภาษียากรให้กับประเทศชาติจะคิดแบบนี้ไหมบอกไม่ ข้าพระองค์ข้าพระเจ้าก็จะสนับสนุนได้ปัจจัยสี่ด้วยไม่ใช่จะตามให้มามามาทำงานทําการเพื่อจะจ่ายภาษีอักรพระรเจ้าถามวันนี้จัดว่าเป็นอนิสงส์แห่งการบวชข้อที่สองได้ไหมได้เห็นไหมสรุปแล้วก็คือว่าหนึ่งไม่เป็นลูกน้องใครสองไม่ต้องจ่ายภาษีอักรแต่ประการต่อมาเมื่อเข้ามาบวชแล้วเนี่ยผู้นั้นน่ยจะได้ความสุขจากการจากการเสวยอนุวัชสุข คำว่านวัช ส, สุขเกิดจากความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์คือสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างไม่มีโทษถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศีลก็คือการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรารมงดเว้นจากการกล่าวเทศกล่าวสอเสียดคำหยาบและเพือเจ้องดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยงดเว้นจากการใช้เงินรับเงนินและทองเป็นต้นนั้นชีวิตก็อยู่อย่าง มีความสุขตลอดการนั้นปฏิบัติในจุลศีลมาชิมาศีลมหาศีลย่อมเป็นผู้ไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนไปที่ไหนก็เป็นผู้ปลอดภัยอ่ะเพราะเป็นผู้ไม่จองเวรภัยกับใครแล้วไม่มีเวรภัยให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาบุญนั้นก็เกื้อหนุนตัวเองให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินเขากุศลก็เกื้อหนุนแกผู้ให้ให้ความปลอดภัยกับบุตรภรรยาเขาบุญก็เกื้อหนุนแกผู้ทําให้ความปลอดภัยให้คําสัตย์คําจริงให้คําวาจาที่อ่อนหวาน ให้คำสมัครสมานสามคัคคีพูดจาที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์ทั้งหลายไม่ไม่ทำสติเห็นไ ม, ไม่ไม่ทำลายสติทำมหชัญนยของตนเองได้เอาของหมื่นเมาไปใส่แล้วไม่รับเงินและทองเป็นต้นใช้ชีวิตกายก็สะอาดวาจา ก, ก็สะอาดใจก็สะอาดเป็นต้นก็สุขที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีโทษท่านอุปมาบอกว่าเหมือนพระราชาที่ปราบปรามฆ่าศึกอย่างหมดสิ้นแล้วเนี่ย ย่อมไม่มีโอกาสจะประสบอันตรายจากฆ่าศึกในการในไหนอีกต่อไปเห็นไหมความสุขก็เกิดขึ้นนี่มันเป็นสีละสุขสุขของผู้ที่มีศีลปลอดภัยอะไปนอนตรงไหนก็ได้ไปอยู่ในบ้านก็ก็ปลอดภัยอยู่นอกบ้านก็ปลอดภัยอยู่ในป่าก็คือไม่มีเวรภัยกับใครไปนะที่ไหนก็นี่เราให้ความปลอดภัยไว้หมดแล้ว เหมือนพระราชาปกครองแผ่นดินแล้วในเมืองนั้นไม่มีข้าศึกศัตรูเลยถามว่ า, วาพระราชาจะมีความสุขไหมมีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงไม่ตัวไม่ต้องกลัวถูกป่นลัดชาวบรรลังไม่ต้องกลัวถูกโจกรกบด ท, ทั้งไหนไห น, ไหนเพราะอะไรเพราะว่าตนเองเป็นผู้ไม่มีเวรภัยกับใครๆทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะนอกจากได้ศีลสุขแล้วเนี่ยประการต่อมาก็คือยังได้อภยยเสกสุข สุขที่เกิดขึ้นจากการสำรวมอินทรีย์สำรวมทางตามองอะไรก็ไม่ให้บาปเกิดปิดบาปทางทาวารตาก็ได้ทางทาวารหูก็ได้ทางทาวารจ ม, มูกก็ได้ทาวารลิ้นก็ได้ทาวารกายก็ได้แม้ใจทั้งหลายก็ไม่พุกพ่านไปกับบาปอาักษรลธรรมมันชั่วลายทั้งหลายถามวันนี้ยิ่งสุขใหญ่ไหมตอนนี้ไหมไปมองเช่นมองเห็นรูปที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่ได้มองเพื่อเสพ แต่มองเพื่อศึกษามองเพื่อรู้มองเพื่อเข้าใจมองเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะปัญญาทั้งหลายก็มาเข้าใจในเรื่องนั้นสติก็มาตัดรอนไม่ให้บาปเกิดก็เกิดความสุขจากการมองไม่เกิดบาปอากุณสมธรรมมันชั่วร้ายลบประชุมลงใจทุจริตทางกายวาจาใจก็ไม่เกิดขึ้นจากการมองฟังเสียงโดยทวารหูด้วยอินทรีย์คือหูก็มีสติปิดกั้นบาปมีปัญญาในการที่จะรู้เข้าใจว่าเออเราฟังเรื่องเนี้ย แม้เสียงด่าก็ฟังเข้าใจได้ไม่ไปโกรธไม่ไปเครียดไม่ไปวิตกกังวลแม้เสียงชมก็ไม่หลงละเริงไม่ชอบไม่ชังใช่ไหมแต่อยู่เป็นอยู่ด้วยสติและปัญญารู้และเข้าใจว่าเออที่เขาด่าเพราะอะไรแล้วเอาประโยชน์จากเสียงด่าได้เราว่าได้ไหมประโยชน์จากเสียงด่าเอาได้ไม่ได้ได้ไหมเชื่อไหมบริษัทบางบริษัทเนี่ย โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติเนี่ยเวลาเขามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยเขาจะจ้างคนมาตําหนิเขาเนาะทำไมเอาเพราะเขาจะได้ประโยชน์เนถามว่ากว่าคนที่จะมองจุดด้อยของคนได้ต้องคิดเยอะไหมโอ้ต้องหาคําอะไรคิดอ่านเยอะแยะหมดที่จะหาจุดด้อยจุดไม่ดีทั้งหลายหเหล่านี้ฉะนั้นเสียงด่ามันเป็นประโยชน์ได้นะถ้าหากคนมีสติปัญญาเนี่ย ก็เห็นไหมว่าปิดบาปทางทวารห ů, ูก็ได้ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจทีนี้พราะบาปเนี่ยไม่เข้าสู่ทางทวารตาหูจมูก ล, ลิ้นกายใจก็ได้สุจริตเห็นก็ได้กายสุจริตวาจาสุจริตใจก็สุจริตได้เย็นก็ได้กายสุจริตวาจาสุจริตใจก็สุจริตได้กลิ่นก็ได้กายสุจริตวาจาสุจริตใจก็สุจริตใช่ไหมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกินอาหารก็ได้กายสุจริตวาจาสุดจริตใจสุจริต สัมผัสเย็นร้อนก็ได้กายสุจริตวาจาสุจริตก็ใจสุจริตคิดนึกเรื่องราวต่างๆก็ได้สุจริตสสรุปก็คือว่าเมื่อสุจริตเกิดทางทวารทั้งหมดเลยความสุขจะเกิดไหมนี่ไงเมื่อความสุขเกิดแล้วเนี่ยเวลาจะวางจิตไว้ในเรื่องใดจิตก็จะแนบสนิทในเรื่องนั้นนี่ไงสุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิเห็นไหมพอสุขเกิดขึ้นจากกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาด มีสติสัมปชัญญะในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการคู่ในการเหยียดในการก้มเงยการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งโอ้โหชีวิตก็เป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะมีความสุขทุกอิยาบทบุคคลเลยเพืเพศนี้เวลาเป็นนั่งสงบวางจิตไว้ในอารมณ์กรรมฐานใดจิตก็จะตั้งมั่นในกรรมฐานนะั้นงั้นสุขเป็นปัจจัยเกิดสมาธิเป็นแบบนี้พอเข้าใจไหม มีใครถามอะไรอีกไงั้นไม่ไม่มีนะเอาไม่มีเดี๋ยวลองฝึกให้สงบกันสัก5านาทีดีั mm ้ย hmm. ก่อนที่จะอุทิศ ส, ส่วนกุศลกันทำจิตให้สงบเลยนะให้เด้กุศลจริงๆเอาแล้วแต่ละบุคคลเนี่ยไม่ต้องกังวลคนอื่นเนาะเราจะทำจิตของตัวเราเองเนี่ย ให้ตั้งมัน่นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นในธรรมภายในบาปอากุศลธรรมอันชั่วร้ายจะไม่เกาะกลุมจิตของเธอตั้งอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้งนั้นก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลไปให้สรรพสัตว์ ท, ทั้งหลาย ก็ขอให้เราเนีจงฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้เกิดความปลาโมดนะให้ใจเกิดปลาโมดเกิดปีติเกิดความสงบนะผ่อนคลายเกิดสุขสมนัสไม่เครียดไม่กัดกลุ้มแล้วจะได้เป็นปัจจัยต่อสมาธิคือความตั้งมั่น ฉะนั้นในขณะที่เรามีความสงบกับการที่เราได้กําหนดหรือได้ใส่ใจหรือมนาสิการอานาปานสติสมาธิอันนี้สำคัญมากนะตัวอานาปานสติสมาธิในที่พระเจ้าแสดงไว้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราได้เจริญสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้บอกว่าสติอัตฐานที่เราได้เจริญเนี่ยได้กระทำให้มากเนี่ยจะเป็นปัจจัยทำให้เราได้ตั้งสติที่บอกว่ากำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเมื่อกำหนดหรือ พิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการที่ทําให้เรานั้นน่ยได้ฝึกจิตนั้นให้เป็นสมาธิมากยิ่งขึ้นพระเจ้าตรัสบอกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานด้วยนะเป็นบับแรกในอาณาปานาบับเนี่ยที่บอกว่า เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาทิฏฐิที่กล่าวไว้ในเรื่องของการกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่ามีจริงถ้าการเจริญอาณาปณะสติขครั้งแรกก็เพื่อจะทำฌานสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในฌานมีปัญญาเข้าใจในฌานทั้งหลาย ท, ที่เราจะทำให้มีให้เกิดขึ้น นั้นตัวสมาธิตัวสติก็แปลว่าความระลึกรู้เนี่ยความระลึกรู้ถ้าเป็นสติในการที่จะเจริญสติปัฏฐานที่เรียกว่าสัมมาสติเนี่ยสติที่ยิ่งใหญ่เป็นสติที่ยิ่งใหญ่เป็นสติที่เป็นคุณธรรมที่สําคัญในการปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อก็จะเป็นปัจจัย ทำให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตคือตัวสมาธิจะติดตามมาเนเมื่อเราใช้สติในการระลึกดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสมาธินั้นก็จะพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญากล้าแข็งขึ้นตามลำดับข้อนี้ท่านอุปมาบอกว่าการสีไม้เหมือนสติ ไอ้ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการสีไม้เหมือนสมาธิไอ้เปลวไฟที่เกิดขึ้นจากการสีไม้นั้นก็เป็นปัญญาฉะนั้นการที่จะให้สมาธิแนบชิดติดกับลมได้เนี่ยการให้สติเกิดบ่อยๆและลึกบ่อยๆและลึกเสมอๆ เ, เนี่ยก็อุปมาเหมือนกับอะไรอุปมาเหมือนการสีไม้ ไม้ที่สีบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเพราะเอาไม้มาสีกันบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวความร้อนก็เกิดขึ้นสติที่ระลึกที่ลมบ่อยเข้าบ่อยเข้านะเข้านะเข้าเดี๋ยวสมาธิก็จะแนบชิดติดกับลมนี่แปลเหมือนความร้อนมันเกิดเมื่อความร้อนเกิดมากเท่าไหร่สมาธิก็แนบแน่นเท่านั้นแหละเมื่อสมาธิแนบแน่นไอ้ตัวความร้อนนั่นแหละจะเป็นปัจัยเกิดไฟไฟในที่นั้นก็เป็นเหมือนปัญญาไฟสว่าง สว่างอยู่ตรงไหนอยู่ที่ว่าการสีไม้สมาธิยิ่งมากก็เป็นฐานเป็นที่ตั้งของปัญญาได้มากขนาดนั้นฉะนั้นกรณีที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่กับการที่เราจะฝึกนะในการที่จะระลึก ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเนะี่ยได้มากน้อยเพียงลยตรงนี้ก็ต้องเพียรพยายามให้มีความสุขกับการกระทานะให้มีความสุขกับการกระทาให้มีความผ่อนคลายในการกระทาแล้วก็ให้มีความสงบวางทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ พอเราผ่อนคลายได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยไอความรู้สึกว่าขณะนี้หายใจเข้าความรู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกการระลึกบ่อยๆการระลึกบ่อยๆอันนั้นแปลว่าสติกำลังทำงานอยู่รู้สึกตลอดว่าหายใจเข้ารู้สึกว่าหายใจออกเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นไม่ใช่แค่รู้สึก นักเข้านัเข้าเห็นลมเข้าเห็นลมออกอันนี้ชัดแล้วจากการเห็นลมเข้าเห็นลมออกมากขึ้นเหมือนการสีไม้เมื่อเริ่มสีไม้เอาไม้มาสีกันมากเข้ามากเข้าติดต่อเข้าไม่หยุดสติเกิดยังไม่หยุดติดต่อต่อเนื่องเดี๋ยวสมาธิก็จะมาแนบชิดติดกับลมไม่ไปไหนเรา อ, อยู่กับลมนั่นแหละเมื่อสมาธิแนบชิดติดกับลมอันนี้ก็แปลว่าอ๋อความร้อนเกิดแล้ว ถ้ายังไม่แนบชิดติดกับลมก็แปลว่าการสีไม้ของเรายังไม่ต่อเนื่องก็แค่นี้แหละฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้เวลาลึกรู้ว่าลมเข้ารือไหมเราจะไปหายใจทิ้งไปทำไมก็ให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าขนาดนี้ลมหายใจออกให้รู้ว่าขนาดนี้ลมหายใจเข้าให้รู้ว่าขนาดนี้ลมหายใจออกก็แค่นี้แหละไม่ต้องทาอะไรเลยนะปฏิบัติเพียงนั่ง ดูลมมีความรู้สึกว่าเข้ามีความรู้สึกว่าออกแค่นี้เองไม่ต้องไปทำกิจอย่างอื่นการปฏิบัติมันง่ายอย่างเงี้ยมันสบายมันสะดวกอย่างนี้แหละ เ, เดี๋ยวอุทิศ ส, ส่วนกุศลกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ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 ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆงหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสมีขันห้าขันมีขันขันเดียว มีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอให้สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เ่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเ <Okay. Yeah. S 1> พราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญ <Okay. S 1> ที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว <Okay. S 1> ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง <Okay. S 1> จองเป็นผู้ไม่มีเวร <Okay. S 1> อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ <Okay. S 1> จนถึงบทอันกเกษม กล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินสาธุสาธุสาธุ